2. พระเขมาเทอรีภิกษุณีผู้เลิศทางมีปัญญามากอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระนางเกิดในสกุลเศรษฐีแต่อัิกะฐาว่านางเกิดเป็นนางทาสีในเมืองหังสวดีได้เข้าเฝ้าฟังธรรมแล้วก็เกิดความเลื่อมใสประกาศถึงพระองค์เป็นสารณะต่อมา ได้ขออนุญาตมารดาบิดาเพื่ อ, อนิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงมารับมหาทานตลอดเจดวันทำให้ได้พบพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งว่ามีปัญญามากนางจึงกระทำสักการะแด่พระพุทธเจ้าแล้หมอบลงปรารถนาตำแหน่งนั้นบ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่าสักการะที่เธอทาแล้วแก่เราและภิกษุสงมีผลมาก ความปรารถนาของเธอจักสาเร็จในพุทธสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะเพราะอำนาจบุญกรรมนั้นดิฉันเกิดในภพใดๆก็ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระราชาในภพนั้นๆดิฉันจุติจากภพนั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจากกักรพรรดิและเป็นพระมเหสีของพระเจ้าเอกกราช พระเถรีกล่าวบอกเล่าถึงผลบุญที่กระทาไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระแต่คำพีอัตกถาว่านางเกิดอยู่ในกรุงหังสวดีวันหนึ่งนางพบพระสุชาตเถรีผู้เป็นพระอัครส า, าวิกาของพระพุทธเจ้ากำลังเที่ยวบินทบาทอยู่ก็ถวายขนมต้มสามก้อนและนิมนต์ให้ฉันพัดในเรือนของตนด้วย แล้วได้ทำความปรารถนาว่าขอดิฉันพึงมีปัญญาเหมือนท่านในการของพระพุทธเจ้าอนาคตตามเรื่องในอัตถกถานี้เท่ากับว่านางตั้งความปรารถนาเป็นเอตัดทกคะโดยไม่ได้พบพระพุทธเจ้านางเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติกุศลทั้งหลายจนตลอดชีวิตสมัยพระพุทธเจ้าวิปสัสสีนางได้ฟังธรรมแล้วออกบวช ประพตชพรหมจันทร์อยู่หมื่นปีเป็นพหูสูตรฉลาดในปัจจัยาการมีปัญญาละเอียดแสดงธรรมได้ไพเราะสมัยพระพุทธเจ้ากโกนาคมณนนานางเกิดเป็นที่ดาของตระกูลมั่งคั่งในเมืองพาราณสีมีพี่น้องสามคนได้ร่วมกันสร้างสังคารามและวิหารถวายพระพุทธเจ้าและพระสาวก ตายแล้วเข้าถึงดาวดึงเทวโลกอธิกถาเพิ่มว่านางได้พบพระพุทธเจ้ากกุสันทะและได้ถวายสังฆารามด้วยสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะนางเกิดเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระราชนิเวศของพระเจ้ากิ่กแห่งกรุงพาราสีมีชื่อว่าสมณีมีพี่น้องเจ็ดพระองค์ ทั้งหมดฟังธรรมแล้วต้องการออกบวชแต่พระราชบิดาไม่ทรงยินยอมทั้งหมดจึงได้ประพฤติกุมาเรพรปมาจันอยู่ถึงสองมปีคือประพฤติพระมาจันตั้งแต่ยังเป็นกุมารีในบรรดาพระราชธิดาเจ็พระองค์นั้นคือพระนางสัมมณีหนึ่งพระนางสัมมาณะคุตตาหนึ่งนางภิกษุณีหนึ่ง นางพิขุทาสิกาหนึ่งนางธรรมมาหนึ่งนางสุธรรมมาหนึ่งและนางสังคธาสิกาหนึ่งพระชธิดาทั้งเจ็ดนั้นชาติสุดท้ายได้มาเป็นพระเขมาเถรีหนึ่งพระอุบลวันนาเถรีหนึ่งพระปตาจารีเถรีหนึ่งพระกุณทนเกสาเถรีหนึ่งพระกีสาโคตมีเถรีหนึ่ง พระธรรมทินนาเถรีหนึ่งนางวิสาขาหนึ่งชาสุดท้ายอภิเศกกับพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเรานางเกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราชในสากลนครอธกถาว่ากรุงสาคละ แควนมัทะมีชื่อว่าเขมาอัตถกถาว่านางมีพระชวีวันเลือ่อมอัตถกถาว่านางมีพระชวีวันเลื่อมเรือดังน้ำทองครั้นเจริญวัยแล้วพระราชบิดาได้ประทานให้แก่พระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นที่โปรดปรานของพระราชสวามีมากพระนางยินดีพอใจบำรุงดูแลรูปกายของตนมาก เป็นผู้มัวเมาในรูปโฉมไม่พอใจทุกครั้งที่มีคนกล่าวถึงโทษของกายนางจึงไม่ยอมเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะเกรงว่าพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องโทษของรูปกายเที่ยวชมพระมหาวิหารเวรุวันพบพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่ง พระเจ้าพิมพิสารทรงโปรดให้นักร้องขับเพลงพรรณนาถึงพระวิหารเวลุวันเพื่อให้พระนางสดับแล้วเกิดความสนพระไทยเสด็จไปเที่ยวชมเช่นพระมหาวิหารเวลุวันเป็นดังว่านันทวันอันเป็นที่เพลิดเพลินของนอรชนผู้ใดได้เห็นแล้วก็นับว่าผู้นั้นเห็นซึ่งนันทวันคือสวนดอกไม้ในสวรรค์ ดีแล้วอันเป็นที่เพลิดเพลินของเท้าอมรินเท้าสักกะในสวรรค์ดาวดึงเท้าสักกะเทวราชหรือเหล่าเทพและนันทวันแล้วลงมาที่พื้นดินท้าสกะเทวราชหรือเล่าเ ท, ท, าา ท, ท้าสกะเทวราชหรือเห ล, า, า, เ า, หหลาเทพและนันทวันแล้วลงมาที่พื้นดินเห็นพระวิหารเวลุวันอันน่ารื่นรมเข้าแล้วก็อัศจรรย์ใจชมเพลินไม่ได้เบื่อ พระวิหารเวลุวันเกิดขึ้นเพราะกำลังบุญของพระราชาอันบุญญาณุภาพแห่งพระพุทธเจ้าประดับแล้วใครเล่าจะกล่าวถึงความเจริญด้วยคุณแห่งพระมหาวิหารเวลุวันให้จบได้เมื่อพระนางตัดสินใจเสด็จไปอธิกถาว่าพระราชาสั่งทหารว่าหากพระนางไม่ยอมเข้าเฝ้าก็อนุญาตให้ใช้กาลังบังคับได้ และเล่าไว้ภายหลังบรรลุธรรมแล้วว่าเวลานั้นพระวิหารเวลุวันมีสวนดอกไม้กำลังแย้มบานมีเสียงหึ่งไปด้วยการบินของมแมลงน า, นานาชนิดและมีเสียงนกดูว่าวร่ำร้องเพลงขับทั้งมีเหล่านกยุงฟ้อนรามีเสียงเบาไม่พลุกปลานประกอบไปด้วยที่จงกลมต่างๆสับรังไปด้วยกุดีและมนดบ ที่พระโยคีชอบปรารบความเพียรครั้งนั้นดิฉันได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งประกอบกิจอยู่แล้วคิดไปว่าภิกษุนี้ตั้งอยู่ในปฐมวัยมีรูปหน้าปรารถนาปฏิบัติดีอยู่ในป่าที่น่ารื่นรมเช่นนี้เหมือนคนที่อยู่ในที่มืดภิกษุนี้สีสะโลนคลุมสังคตินั่งอยู่ที่โคนไม้ละความยินดีที่เกิดจากอารมณ์ เจริญฌานอยู่ธรรมดากลือหัดควรจะบริโภคกามตามความสุขแก่แล้วจึงควรประพฤติทำอันเจริญงามนี้ในภายหลังพระนางเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงอยู่ในพระคันธกุดีจึงเสด็จเข้าไปทำให้ได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นดั่งดวงอาทิตย์อุทยัยประทับนั่งสำราญอยู่โดยมีหญิงสาวสวยถวายงานพัดอยู่ อธิกถาว่าทรงเนรมิตรีคล้ายนางเทพอับสรให้ถือพัดใบตาลถวายงานพัดหญิงสาวคนนั้นมีรัศมีเปล่งปรังดังทองคำมีดวงตางามเช่นดอกบัวริมฝีปากแดงดังผลมะพร้าบสุขชำเลืองแต่น้อยเป็นที่ยินดีแห่งใจและในตามีลำแขนเหมือนทองคำวงหน้าสวย ทันทั้งคู่แต่งตึงดังดอกบัวตูมมีเอวกลมกล่อมสะโพกผึงผ่งพายลำขาหน้ายินดีมีเครื่องตกแต่งงามพระนางเห็นสตรีนั้นแล้วคิดว่าโอ้หญิงสาวคนนี้รูปงามเหลือเกินเราไม่เคยเห็นด้วยตาในครั้งไหนๆเลยทันใดนั้นพระพุทธเจ้าทรงใช้พุทธานุภาพทาให้หญิงสาวคนนั้นเปลี่ยนเป็นคนชารา มีผิวพัน์แปลกไปหน้าเหี่ยวฟันหักผมงอกน้ำลายไหลหน้าไม่สะอาดใบหูแข็งกระด้างในตาขาวนมยานไม่งามตัวตกกระทั่วร่างกายตลอดศีรษะหลังขดมีไม้เท้าเป็นคู่ช่วยเดินร่างกายสู้พร้อมรีบไปตัวสั่นงันงกล้มลงแล้วหายใจทีที อธกฐาธรรมบทว่าทรงเนรมิตให้เหลือแต่กระดูกด้วยฟังธรรมบรลุธรรมจักสุออกบวชบรลุพระอรหัตพระนางทอดพระเนตรแล้วเกิดความสังเวชอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเกิดความดํ่ริว่า หน้าตำหนิรูปอันไม่สะอาดของพวกคนพานยินดีกันพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระนางเป็นผู้มีจิตสลดสังเวชแล้วได้ตรัสสอนว่าดูก่อนพระนางเข ม, มาเชิญดูร่างกายอันกระสับกระสายไม่สะอาดมีสิ่งโสโครกไหลเข้าถ่ายออกที่พวกคนพานยินดีกันท่านจงอบรมจิตให้เป็นหนึ่งเดียว มีอารมณ์เดียวด้วยอารมณ์ที่ไม่งามเถิดท่านจงมีกายคตาสติมากไปด้วยความเบื่อหน่ายเถิดอธกถาธรรมบทว่าจบพระคถานี้ท่านได้บรรลุโสดาปติผลรูปหญิงนี้ฉันใดรูปกายของท่านก็ฉันนั้นรูปของท่านฉันใดรูปหญิงนี้ก็เป็นฉันนั้น ท่านจงคลายความพอใจในกายทั้งภายในภายนอกเสียเถิดจงอบรมอนิมิตตวิโมกจงละมานานุสยัยคืออนุสัยคือมานะความถือตัวท่านจะเป็นผู้สงบเพราะประพฤติละมานานุสัยนั้นได้ชนเหล่าใดกำหนัดด้วยราคะเกาะกระแสอยู่ เป็นเหมือนมแมลงมุมเกาะยญยตรงกลางที่ทำไว้เองชนเหล่านั้นตัดราคะนั้นเสียไม่มีความอาลัยละกามสุกไปย่อมละเว้นทุกทั้งปวงไปจากนั้นทรงสแสดงมหานิทานสูตรพระนางฟังแล้วบรรลุ ธ, ธรรมจากสุกราบทูสลสารเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบทูลากรารชนิเวศ เพื่อทูลลาบวชกับพระเจ้าพิมพ์พิสารซึ่งพระราชาก็ทรงอนุญาตแล้วต่อมาพระราชาทรงสู่ขอพระนางเวเทหิผู้ทรงเป็นพระคณิษฐาของพระเจ้าประสนทธิโกศลมาเป็นพระมเหสีและให้การประสูดอชาชาศัตรูราชกุมารครั้นบวชเป็นภิกษุณีได้เจ็ดเดือน พระนางก็สามารถทำให้แจ้งพระอรหันตได้ครั้งหนึ่งพระเถรีได้ตอบปัญหาโตระนวัตถุแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลถึงปัญหานั้นแม้พระราชาทรงนาไปทูลถามแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบเหมือนกับที่พระเถรีตอบด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องว่าพระเถรีเป็นเลือดทางมีปัญญามาก อธกถาธรรมบทเล่าว่าขณะที่พระนางกำลังเกิดความสลดใจที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของสรีระของสตรีสาวสวยนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าชนเหล่าได้ถูกราคะย้อมแล้วย่อมตกไปตามกระแสตัณหาเหมือนมแมลงมุมตกไปที่ใยอันตัวทำไว้เองฉะนั้นชนผู้มีปัญญาทั้งหลายตัดกระแสตัณหานั้นแล้ว เป็นผู้หมดความห่วงใยละเว้นทุกทั้งปวงไปจบพระคถาขณะที่พระนางประทับยืนอยู่นั้นก็ทำให้แจ้งพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายเป็นธรรมดาว่าผู้ครองเรือนเมื่อบรรุพระอรหัตแล้วหากไม่ออกบวชก็จะต้องปรินิพานพระนางรู้ว่าอายุสังขารยังเป็นไปได้ ดำริว่าเราจะให้พระราชาทรงอนุญาตการบวชจึงเสด็จกลับไปขออนุญาตพระราชาซึ่งพระราชาทรงเป็นพระโสดาบันแล้วทอดพระเนตรอาการของพระนางแล้วทรงคเนว่าพระนางคงบรรลุอริยธรรมแล้วเมื่อพระนางขออนุญาตจึงทรงให้นำพระนางไปยังสำนักภิกษุณีด้วยวอทองให้ผนวดเป็นภิกษุณี แต่อัิกถาธรรมบทว่าพระพุทธเจ้าตรัสถามพระเจ้าพิมพิสารว่าจะให้พระนางบวชหรือจะให้ปรินิพานพระราชาทูลว่าโปรดให้พระนางบวชเถิดอย่าปรินิพานเลยแสดงธรรมตอบโต้มานวันหนึ่ง พระเขมาเถรีนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งมานผู้มีบาปแปลงกายเป็นชายหนุ่มเข้าไปหากล่าวเชิญชวนพระเถรีว่าแม่นางเขมาเอ่ยเจ้าก็สวยสักราญเราก็หนุ่มแน่นมาสิเรามาร่วมอภิรมกันด้วยดนตรีเครื่องห้าเถิดนะเจ้าพระเถรีฟังแล้วก็ต้องประกาศความที่ท่านหมดความกำหนัดในกามทั้งปวงแล้วหนึ่ง ความที่ท่านรู้ว่าผู้นี้เป็นมานหนึ่งความไม่เลื่อมใสในลัทธิที่ยึดมั่นในอัตตาหนึ่งและความที่ท่านทํากิจในการดับทุกข์แล้วหนึ่งจึงกล่าวตอบว่าเราอึดอัดเอื่อมระอาด้วยกายอันเปื่อยเนา่ากระสับกระส่ายมีอันต้องแตกพังไปอยู่เราถอนการ ม, มาตัญหาได้แล้วการมทั้งหลายอุปมาเหมือนหอกและเหลา มีขันทั้งหลายเป็นเขียงรองศัพท์บัดนี้ความยินดีในกามที่ท่านพูดถึงไม่มีแก่เราแล้วเรากำจัดความเพลิดเพลินในกามทั้งปวงได้แล้วเราทำลายกองความมืดคืออวิชาได้แล้วดูก่อนมารผู้มีใจบาปท่านจงรู้อย่างนี้ว่าตัวท่านก็ถูกเรากำจัดเสียแล้วพวกคนล้าวไม่รู้ตามความเป็นจริง พากันนอบน้อมดวงดาวทั้งหลายนำท่านไปอยู่ในป่าคือลัทธิแล้วก็สำคัญว่าบริสุทธิ์ส่วนเราแลนอบน้อมเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมมะบุรุษจึงพ้นจากทุกทั้งปวงชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดา แสดงธรรมแก่พระเจ้าประสณทธิโกศลที่โตรณวัตถุสมัยหนึ่งพระเขมาเถรีจาริกไปในแคว้นโกศลเข้าพักที่โตนารวัตถุเสาค่ายเสาระเนียดค่ายพักตั้งอยู่ระหว่างกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกตครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ประทับแรมอยู่ที่โตรณวัตถุนี้เวลาเช้า พระราชาตรัสถามทหารติดตามว่าที่โตรณะวัตถุนี้มีสมณพราหมณ์ซึ่งสมควรที่เราจะเข้าไปหาหรือไม่ทหารนั้นได้ให้ทหารถามสมณพราหมณ์จนพบกับพระเขมาเถรีจึงทูลถึงกิตติศัพท์ของพระเถรีว่ามีภิกษุณีนามว่าเขมาเป็นสาวิกาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น และพระแม่เจ้าเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาเป็นพระหูสูตรมีถ้อยคําไพเราะมีปฏิภาณเป็นอย่างดีพระราชาเสด็จเข้าไปหาทรงอภิวาทแล้วตรัสถามว่าข้าแต่แม่เจ้าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกหรือพระเถรีถวายพระพรว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงพยากร รัดถามอีกว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่กายแล้วย่อมไม่เกิดอีกหรือสัตว์เบื้องหน้าตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้พระเถรีตอบแบบเดิมอีกว่าเป็นปัญหาที่ไม่ทรงพยากรณ์พระราชาจึงถามถึงเหตุที่ไม่ตรัสตอบพระเถรีทูลตอบว่าขอถวายพระพร ถ้าอย่างนั้นอัตามภาพจะขอย้อนถามมหาบอพิษในปัญหาข้อนี้บ้างปัญหาข้อนั้นพอพระไทยมหาบอพิษอย่างใดมหาบอพิษจึงทรงพยากรปัญหาข้อนั้นอย่างนั้นเถิดขอถวายพระพรมหาบอพิษจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนมหาบอพิษมีนักคํานวณ น, นักประเมินหรือนักประมาณใดๆ ซึ่งสามารถที่จะคำนวณทรายในแม่น้ำคงคาว่าทรายมีประมาณเท่านี้หรือว่าทรายเท่านี้ร้อยเมตรพันเมตรแสนเมตรได้หรือไม่ตรัสตอบว่าไม่มีเลยแม่เจ้าเพราะว่าทรายมีจำนวนมากประมาณไม่ได้พระเถรีมหาบาพิตรมีนักคำนวณ น, นักประเมินหรือนักประมาณใดๆ สามารถคำนวณ น, น้ำในมหาสมุทรว่ามีน้ำเท่านี้อารหากะหรือว่ามีน้ำเท่านี้ร้อยพันหรือแสนอารหกกะได้หรือไม่ตรัสตอบว่าไม่มีเลยแม่เจ้าเพราะว่ามหาสมุทรเป็นของลึกประมาณไม่ได้ดังนี้เป็นต้นซึ่งต่อมาพระราชาทรงได้เข้าเฝ้าทูลถามปัญหานี้แก่พระพุทธเจ้าอีก และได้รับคําตอบเช่นเดียวกับที่พระเถรีตอบทุกประการทําให้พระราชาอชัศจรรย์พระไทยมากทูลว่าอัศจรรย์จริงพระเจ้าค่าไม่เคยมีพระเจ้าค่าในอัฐากับอัถาพยัญชนะกับพยัญชนะของพระาศาสดากับของสาวิกาเทียบกันได้เข้ากันได้ไม่ผิดเพี้ยนในบทที่สําคัญในบาลีอปทานเล่าว่า พระเขมาเถรีปรินิพานวันเดียวกับพระมหาประชาบดีโคตมีพุทธศาสนาสุภาษิตอุโโมาตาจะทีตาจะมยางอาสงสปัตติโยตัดสาเมอหุสังเวโคอัพูตโตโลมะหังสโสน เราสองคนคือมารดาและทิดามีสามีร่วมกันเรานั้นได้มีความสลดใจขนพองสยองกล้าวยังไม่เคยมีที่รัตถู ก, กามาอาสุจีทุกคันทาพาหุกันตะกายัตถามาตาจะทีตาจสภริยาม่ยังอหุงหน้าติเตียนนักกามทั้งหลายไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็นมีหนามมากที่เราสองคนคือมารดาและทิดาเป็นภริยาร่วมกันกาเมศวาทีนวังทิสวาเนคขำมังทัตถุเขมาโตสาปัพะชิงราชคะเหอาคารัสมาอนะคาริยังเรานั้นเห็นโทษในกามทั้งหลายเห็นการออกจากกามเป็นความปลอดโปร่ง จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในกรุงรัชครื